วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำภารกิจที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบหมายให้พุทธบริษัทให้พุทธศาสนิกชนได้กระทำกันเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้แก่จิตใจของพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้านี้พระที่เราเคารพนี้ เปรียบเหมือนพราอาจารย์เป็นครูเป็นอาจารย์เรามีพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์พวกเรานี้เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนมาศึกษาหาความรู้จากพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ เปรียบเทียบพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนอาจารย์ใหญ่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาขึ้นมาพระธรรมคำสอนก็เป็นหนังสือเรียนตำลับตําราต่างๆที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เรียกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและอาจารย์ที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการสั่งสอน ก็คือพระ อ, อริยสงสาวุกอาจารย์เหล่านี้ท่านได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสองฆ์มาแล้วจนได้บรรลุถึงคำธรรมขั้นต่างๆแล้วตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปก็ท่านก็มีความสามารถที่จะสอนชาวพุทธเรา ให้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้พวกเราชาวพุทธนี้ก็เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาหน้าที่ของเราก็ต้องเรียนศึกษาและปฏิบัติซึ่งเป็นภาระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเราชาวพุทธภาระหรือธุระที่พวกเราชาวพุทธต้องทำกันนี้ มีอยู่สองทุระด้วยกันทุระที่หนึ่งเรียกว่าคันถะทุระแปลว่าศึกษาเรื่อเรียนก็ทำคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วทุระที่สองหลังจากได้เรื่อเรียนแล้วก็เรียกว่าวิปัสสนาทุระแปลว่าทำสิ่งที่เราได้เรื่อเรียนมานี้ให้เห็นให้รู้แจ้งเห็นจริง ตามที่ได้เรียนรู้รู้แจ้งถึงการปฏิบัติและผลที่เกิดจากการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรให้ความสุขความเจริญแก่จิตใจของเราอย่างไรให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราได้อย่างไรอันนี้ต้องเกิดจากการทําวิปัสสนาธุระคือต้องปฏิบัติ แต่ก่อนที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องก็ต้องศึกษาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าก่อนว่าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติอะไรกันบ้าง mm hmm. เมื่อเราได้รู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไร mm hmm. การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละขั้นนี้ mm hmm. เป็นเหตุ แล้วก็มีผลที่จะเกิดตามมาจากการกระทําเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทํากันสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ปฏิบัติกันทำให้แจ้งกันก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าทานการให้ขั้นที่สองเรียกว่าศีลคือการระ ง, งับการกระทําบา และการกระทำที่เป็นโทษต่อจิตใจสามให้ภาวนาคือให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นหน้าที่ลุทธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้ชาวพุทธเหล่านี้มากระทำกันเราก็ต้องศึกษาการปฏิบัติ ทานศีลภาวนา น, นี้ว่าปฏิบัติอย่างไรบ้างเช่นข้อที่หนึ่งท่านสอนให้เราทำทานทานนี้แปลว่าอะไรแปลว่าการให้ ใ, ให้สิ่งที่เรามีที่เราไม่ต้องใช้ใชส่วนเกินเช่ชนข้าวของเงินทองต่างๆที่เ ร, เรามีไว้มากเกินไปต่อ ความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเรา <Yeah. S 1> เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่เกิดประโยชน์กับผู้อื่น <Yeah. S 1> ตายไปก็เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 1> ให้เอาของที่เรามีเหลือเฟือนี่เอาไปช่วยเหลือผู้อื่น <Yeah. S 1> ให้ผู้ที่เขาเดือดร้อนผู้ที่เ็าต้องการเขาต้องขาดที่เขาขาดแคลน เช่นปัจจัยสี่ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วแต่เรายังมีเงินเหลือที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้กับปัจจัยสี่ส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้สัา ร, รองไว้สำหรับวันอนาคตเผื่อเวลาที่เราไม่มีรายได้เราก็จะได้อาศัยเงินส่วนนี้ไว้ใช้กับปัจจัยสี่ แต่ถ้ายังมีเหลือมากกว่านั้นก็แบ่งเอาไปทาบุญทำทานกันนี่คือความหมายของการทำทานให้ทำในฐานะที่เราทำได้คือเรามีเหลือเราสามารถแบ่งให้ผู้อื่นได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นได้เราก็ทำกันไปเพราะการทำทานนี้จะเป็นการสร้างความสุขให้กับใจ ใจเวลาได้ทำบุญทำทานแล้วจะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเป็นความสุขที่ต่างจากการใช้เงินไปซื้อความสุขชนิดอื่นเป็นความสุขที่เราไปซื้อจะซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นไปดูมหรสกบันเทิงไปไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆความสุขที่เราได้แบบนี้เป็นความสุขที่ ไม่ทําให้ใจเราอิ่มแต่จะกลับทาให้ใจเราหิวอยากหาความสุขเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ความสุขจากการทำบุญทาทานนี้ใจของเราจะรู้สึกอิ่มจะไม่รู้สึกหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะไม่รู้สึกว่าจะต้องไปเที่ยวถึงจะมีความสุขจะไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อของแปลกๆมาใหม่ๆ มาดูมาใช้มาเก็บเอาไว้บางทีของไม่จำเป็นแต่เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วถูกใจซื้อมาแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้ซื้อของชิ้นนั้นมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วเราก็ามาตั้งไว้เฉยๆหลังจากนั้นดูกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกมีความสุขแต่อย่างใด เราเลยต้องไปซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเพราะอยากจะได้ความสุขแบบที่เราซื้อของใหม่กันอันนี้จะทําให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆต้องหาเงินมาซื้อของเหล่านี้อยู่เรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเวลาไม่ได้ซื้อก็รู้สึกอดอยากขาดแคลนรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความสุข แต่ถ้าเงินที่เราเอาไปทำบุญทำทานนี้จะให้ความอิ่มใจสุขใจเราจะไม่ให้เราหิวโหยกับการที่ต้องไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องไปที่นั่นที่นี่ต้องไปดูไปฟังอะไรต่างๆคือให้ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองเวลาใจไม่สามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปซื้อของต่างๆได้ก็ไม่เดือดร้อน เพราใจไม่หิวโหยกับสิ่งเหล่านี้ใจมีความสุขกับบุญจากทานที่ได้กระทาไว้ <Yes. S 1> อันนี้คือผลที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราได้กัน <Yes. S 1> อยู่ในใจของเรา <Yes. S 1> การทําบุญทําทานนี้ท <Yes. S 1> ่านไม่ได้ให้เราไปหวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นเช <Yes. S 1> ่นไม่ต้องการให้ไปเขา <Yes. S 1> ให้เขามาขอบอกขอบใจเรา <Yes. S 1> ให้เขามา มีความรู้สึกว่าเขาเป็นหนี้เราอะไรทานองนี้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเขาถ้าเราช่วยเขาแล้วถ้าเขามีความสํานึกในบุญคุณของเราก็เรื่องของเขาแต่เราไม่เรียกร้องเราไม่ต้องการผลเหล่านี้จากใครนะเพราะผลที่ดีกว่าคือความอิ่มใจสุขใจนี้เราได้รับแล้วภายในใจของเราอันนี้เป็นเป้าหมายของการทำทาน และเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น <c oughs> <c oughs> เพราะว่าจิตใจของเราจะสูงจะต่ำนี้ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันถ้าเราทำบุญจิตใจของเราจะสูงขึ้นคําว่าสูงก็มีความสุขมากขึ้นแล้วสถานภาพก็จะสูงขึ้นจิตใจเรานี้มีการแบ่งสถานภาพไว้เป็นระดับระดับ ย่งจิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นมนุษย์กันแต่ถ้าเราได้ทำบุญทําทานอยู่เรื่อยๆจิตใจของเราก็จะยกระดับสูงขึ้นเพราะความสุขมีมากขึ้นความสุขที่มากกว่าความสุขของมนุษย์นี้เรียกว่าความสุขของเทพของเทวดาถ้าอยากจะไปเป็นเทพเป็นเทวดาหลังจากที่ตายไปแล้วก็ให้ ทำบุญกันอยู่เรื่อยๆบุญนี้จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นแต่การทำบุญเพียงอย่างเดียวนี้ก็ยังไม่รับประกันว่าจะสามารถไปรับผลของการเป็นเทพได้ถ้าเราไม่รักษาสีเพราะว่าการรักษาสีนี้เป็นการรักษาสถานภาพของจิตใจของเราที่ตอนนี้เป็นมนุษย์ ไม่ให้ลงต่ำไปกว่านั้นจิตใจของเราจะลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อเรามีการกระทาบาปเช่นถ้าเรามีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดประเวณีมีการพูดปดมีการดื่มสุรายาเมาและเสพอบายมุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเตร มีความเกียดคร้านในหน้าที่การงานต่างๆและคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรการกระทำเหล่านี้จะเด้งให้จิตใจเราลงต่ำเพราะถ้าเราเสพอบายามุขเราก็จะมีแต่สูญเสียรายได้ไม่มีรายรับแล้วไม่ช้าก็เร็วพอรายได้แล้วพอเราไม่มีเงินใช้เราก็จะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินมา ไปลักไปขโมยไปทํำลายต่างๆที่ผิดศีลผิดธรรมถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ละเว้นอบายามุขเนี่ยถึงแม้เราได้ทําบุญทําทานอยู่ก็ตามบุญของเรานี้จะไม่สามารถดึงให้เราขึ้นไปเป็นเทพได้เพราะบาปนี้จะดึงให้เราลงต่ําก่อนยานการที่เราจะดึงจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็ต้อง ปิดด้วยกั้นไม่ให้จิตใจเราลงต่ำวิธีที่ไม่ลงต่ำก็คือเนี่ยรักษาศีลห้ากันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่นละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและการเสพอบายามุกต่างๆ <Yeah. S 1> ถ้าเราสามารถทา การกระทำเหล่านี้ได้ละเว้นได้จิตใจเราก็จะไม่ลงต่ำจิตใจเราก็จะเป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตใจเราทำบาปอยู่เรื่อยๆจิตใจเราจะลงต่ำ ส, สถานภาพของจิตใจที่ต่ากว่ามนุษย์ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็เรียกว่าเดรัจฉานระดับที่สองก็เปรตระดับที่สามก็อสุรกาย และระดับที่สี่ก็คือ น, นรกในแต่ละระดับนี้ก็จะมีความทุกข์ต่างกันไปตามการกระทำบาปของเราและเหตุผลของการกระทำบาปของเรา<ม>ถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปเพราะเราคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพ<ม>เช่นคนที่ทำมาหากินด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควาย เพื่อเลี้ยงชีพของเขานี่ยเรียกว่าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปคิดว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็เป็นความจําเป็นจะต้องเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเป็นอาชีพก็เลยทําบาปอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นการกระทําบาปอยู่ถึงแม้ว่ามีเหตุผลที่ดีเพราะต้องเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนแต่ก็ยังถือว่าเป็นบาปแล้วก็จะลด สถานภาพของจิตใจจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัสตว์เดรัจฉานนี้เขาก็ไม่มีการรักษาศีลกันสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาน้อยเป็นการดำรงชีพของเขาถ้าเราเป็นมนุษย์ทำแบบนั้นเราก็ไม่ต่างจากเขา ถึงแม้ว่าร่างกายเราจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเรากับจิตใจของเขานี่ก็เหมือนกัน <c oughs> คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการดารงชีพเหมือนกันนั้นเวลาที่หลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วนี้เราจะไม่ได้กลับมามีร่างกายของมนุษย์ใหม่ทันทีเราต้องไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานที่เราไปฆ่าก่อนฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ก็ต้องไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาฆ่าก่อนไปใช้กรรมก่อนจนกว่ากรรมที่เราทํานั้นมันหมดเราถึงจะได้กลับมามีร่างกายของมนุษย์ใหม่อย่างถ้าเราไม่อยากจะกลับไปไม่ต้องการที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อย่าไป ท, ทําอาชีพที่ผิดอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชีวิตเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้ว ถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเองเราก็มีส่วนเลียงแล้วก็ส่งให้เขาไปฆ่าอย่างนี้ก็ยังไม่ควรจะกระทานี่คือเรียกว่าการกระทาบาปด้วยความหลง<ม>ก็ทำให้เป็นเดรัจฉานแล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, <ม>ก็อยากมีมากๆอยากได้มากๆอยากเป็นใหญ่เป็นโตเ ร, รืออะไรก็ตาม ควมโลกอยากได้อยากเป็นอยากมีนี่แล้วก็หามาโดยวิธีทำบาปถ้าทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองอยากได้เช่นเงินทองอยากได้มากๆก็จะทำทุกเวลาทุกแบบทุกรูปแบบเพื่อให้ได้เงินทองมาถ้าต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าต้องลักทรัพย์ก็ลักทรัพย์ถ้าทาอย่างนี้ถ้าต้องโกหกก็โกหก อย่างนี้จิตใจก็จะลงไปเป็นเปรตล <Yeah. S 1> ักษณะของเปรตก็คือจะมีแต่ความหิวโหยเพราะมีความโลภอยู่ตลอดเวลา <Yeah. S 1> การได้สิ่งต่างๆมาจากการกระทําความโลภนี้ไม่ได้ทําให้ความโลภหายไป <Yeah. S 1> แต่กลับจะทําให้มีความโลภเพิ่มมากขึ้น <Yeah. S 1> แล้วพอเวลาตายไปนี้ใจที่มีความโลภอยู่แต่ไม่สามารถไปหาสิ่งต่าง ๆ, ๆที่อยากได้ เพราะไม่มีร่างกายที่จะไปเอาสิ่งต่างๆได้ตอนนั้นใจก็จะมีแต่ความหิวโหยเหมือนคนอดอยากขาดแคลนท่านถึงเรียกว่าใจแบบนี้เป็นใจเรียกว่าเปล่ยใจพวกนี้แหละที่เป็นพวกที่ต้องมาขอส่วนบุญจากพวกที่มีมีชีวิตอยู่อย่างเวลาที่เราทำบุญให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปเพราะเรากลัวว่าเขาไปไปอัด เขาอาจจะไปเป็นเปรตเราทำเผื่อไว้ควาจริงเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปเป็นเปรตหรือไม่เพราะเราไม่ได้จดบัญชีไว้ว่าในชีวิตในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาทำบาปชนิดไหนบ้างทำบาปมากน้อยเพียงไรและทำบุญมากน้อยเพียงไรเพราะเวลาที่เราตายไปนี้บุญและบาปที่เราทานี้จะมาคิดบัญชีกันบุญก็จะพยายามดึงเราให้ไปที่สูง บาปก็จะดึงให้ใจของเราไปที่ต่างนั้นก็อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบาปมีกำลังมากกว่ากันก็จะดึงใจให้เราไปอบายถ้าถ้าเป็นบาปที่ทำด้วยความหลงก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าบาปเพราะความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตถ้าบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกาย ถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมฟันต่อฟันตาต่อต า, ตาอันนี้ก็จะไปนรกนรกก็คือสภาพของจิตที่มีแต่ความทุกข์กับความเครียดแค้นต่างๆกับความอาฆาตพยาบาทต่างๆปรากฏการของพบเหล่านี้ยกเว้นของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเ้าจะมีร่างกาย แต่พวกเปรตพวกอระสุนลกายพวกนรกนี้เขาจะไม่มีร่างกายเขาจะเป็นดวงวิญญาณที่เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับนี้ดวงวิญญาณคือจิตใจของเรานี้จะไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาสิ่งต่างๆมาเสดดวงวิญญาณก็เลยอาศัยบุญหรือบาปที่เราได้ทาไว มาเสรในรูปแบบของความฝันต่างๆเนี่ยเวลาเรานอนหลับนราก็จะฝันกันฝันว่าเราไปที่นั่นที่นี่ <c oughs> ไปทำอะไรดีบ้างไม่ดีบ้างก็อยู่ที่บุญที่บาปเราได้ทำไว้ความฝันนี้มันจะบอกให้เรารู้ว่าตอนนี้จิตใจเราหนักไปทางไห น, นถ้าเราฝันบาปฝันเรื่องเลวร้ายต่างๆ ฝันที่มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจมันก็จะเรียกว่าฝันไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผลของการกระทําบาปแสดงว่าในใจของเรานี้บาปมันมากกว่าบาุญบาปมันเลยแสดงผลก่อนแต่ถ้าเราฝันดีเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าบุญของเรานี้มากกว่าบาปถ้าเกิดเราตายไปในตอนนั้นถ้าเราฝันดี จิตของเราก็จะฝันดีก็จะไปเป็นสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นฝันแต่เรื่องดีๆฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปทํานูน่ทนทํานี่มีความสุขกับคนนั้นกับสินน่งนี้อะไรต่างๆอะไรนี้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราฝันร้ายฝันว่าเรามีเรื่องมีราวหรือมีความหิวโหยไปอยู่ในสถานที่โอดอยากขาดแคลนหรือไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวต่างๆหรือไปอยู่ในสถานที่ที่มีการฆ่าฟันกันอย่างนี้ มันก็จะปรากฏเป็นฝันแบบนี้เวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วใจเราก็จะไปเป็นเปรตถ้าฝันฝันว่าไปอยู่ในที่อดอยากขาดแคน <Yeah. S 1> แลนหิวโหยถ้าฝันว่าไปอยู่ในที่น่ากลัว <Yeah. S 1> ก็เป็นอสุรกายมีแต่เหตุการณ์น่าหวาดเสียวน่าหวาดกลัวมาถล่มใจอยู่เรื่อยๆหรือถ้าไปฝันว่าไปอยู่กับ คนที่เราเกลียดเราชังเราทะเลาะวิวาะกันเรามีเรื่องมีราวกันคอยข้าบฟันกันองนีอันนี้ก็เป็นนรก น, นี่คือสภาพของจิตใจของเรา <c oughs> ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเรา <c oughs> ที่จะต้องไปต่อ <c oughs> ก็จะไปเป็นตามสภาพเหล่านี้ถ้าเราทำบาปก็จะไปอบายกัน ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาดด้วยเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราไม่ทำบาปเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำบุญเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราตายไปวันนี้เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อเราจะไม่ไปสวรรค์เพราะไม่มีบุญส่งเราไปเราจะไม่ไปอบายเพราะเราไม่ได้ทำบาปบาปก็ไม่ส่งเราไปอบายเมื่อไม่ไปอบายไม่ไปสวรรค์ก็ต้องมาเป็นมนุษย์ใหม นี่คือผลที่จะตามมาจากการกระทาตามคำสอนสองข้อแรกที่พระเจ้าสอนให้เราทากันข้อที่หนึ่งก็ให้ทาบุญทาทานข้อที่สองก็ให้เรารักษาศีลห้ากันแล้วเราก็เวลาตายไปเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราทาบุญ ไม่ทำบาปบุญมากกว่าบาปบุญก็จะเดึงเราไปสวรรค์เป็นเทพแล้วก็สวรรค์นี้ก็มีหลายชั้นมีหกชั้นด้วยกันความสุขมีเพิ่มมากขึ้นไปแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับการทำบุญของเรามากน้อยทำบุญมากก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงมีความสุขมากทำบุญน้อยก็มีความสุขน้อยก็อยู่สวรรค์ชั้นต่ำ ความสุขนี้เราสามารถเห็นได้จากการกระทําบุญของเรา <c oughs> เวลาเราทําบุญน้อยเราจะรู้สึกว่าสุขน้อยแต่วันไหนเราทําบุญมากเราเ ร, าราจะรู้สึกว่าสุขมากกว่าอันนี้แหละเป็นตัววัดผลของการทําบุญทําทานของเราเช่นเดียวกับการวัดการทําบาปของเราเวลาทําบาปน้อยเราจะรู้สึกทุกน้อยแต่เวลาเร า, เราทําบาปมากทําบาปหนักเราจะรู้สึกทุกมาก นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าการกระทาของเรานี้จะพาให้เราไปไหนต่อไปเพราะเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้เหมือนกับรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถยนต์เราต้องการเดินทางไปสถานที่ต่างๆเราก็เลยต้องไปซื้อรถยนต์มาขับกัน เฉีในใดใจของเราที่ต้องการหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเราถึงมาเกิดกันเพราะเราในใจของเรานี้ยังมีความอยากอยากหาความสุขจากลาบคือเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเรียกว่าลาบอยากหาความสุขจากยศจากตําแหน่งต่างๆทุกคนอยากเป็นใหญ่เป็นโตกัน อยากเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นประธานาธิบดีอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันนี้เรียกว่ายศนแล้วทุกคนก็อยากจะให้คนสรรเสริญยกย่องว่าเก่งว่าดีมอบรางวัลชนิดต่างๆให้รางวัลตุ ก, กตาทองชนิดต่างๆอันนี้เรียกว่าสรรเสริญแล้วเราก็อยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันชอบดู สิ่งที่ภาพต่างๆที่น่าดูน่าชมชอบฟังเสียงที่น่าฟังชอบลิ้มรส ด, ดมกลิ่นที่เราชอบ <Yeah. S 1> เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือ <Yeah. S 1> เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นวิธีให้ความสุขกับเรา <Yeah. S 1> เราจึงมาเกิดกันเราจึงต้อง ม, มีร่างกายของมนุษย์ <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้เสดความสุขเหล่านี้กัน <c oughs> แต่ไม่ว่าเราจะไปเกิดในภพไหนชาติไหนเนี่ย จะไปเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือไปนรกนมันมีวันหมดเพราะว่าบุญที่ส่งไปมันจะหมดหรือบาปที่ส่งไปมันจะหมดกำลังบุญกับบาปนี้เหมือนกับน้ำมันรถยนต์ที่เราเติม <c oughs> พอเราเติมแล้วพอเราขับรถไปไหนมาไหนน้ำมันในถังก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็หมด พอหมดแล้วเราก็ต้องแวะจอดสถานีบริการใหม่ไปเติมน้ำมันใหม่เช่นเดียวกับบุญหรือบาปที่เราได้ทำกันไวน้นี้พอบุญมันหมดคือพอมันลดลงมาเท่ากับบาปบาปลดลงมาลงมาเท่ากับบุญเนี่ยบาปก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในสวรรค์ได้ตอนนั้นเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เป็นช่วงที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่อัน <Yeah. S 1> นี้คือผลที่จะเกิดจากการที่เราทำธุระสองขั้นตอนขั้นที่หนึ่งคือทำบุญทำทานและรักษาศีล <Yeah. S 1> แต่มันยังทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ <Yeah. S 1> เราจะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อย รักษาศีลได้ทำบุญได้ตายไปก็ไปเป็นเทวดากันพอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาทำบุญทำบาปทำบุญรักษาศีลกันใหม่ในขณะที่มาเกิดก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆของการเป็นมนุษย์ทุกข์ที่เกิดจากการต้องต่อบสู้ดิ้นรนในการดำรงชีพต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องมาทุกข์กับการป้องกันภัยต่างๆภัยจาก ธรรมชาติภัยจากบุคคลภัยจากโรคโรคร้ายต่างๆเช่นตอนนี้เราก็มีภัยจากไวรัสโควิด -19 มันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราอันนี้เป็นผลเป็นผลที่ไม่ดีที่ตามมากับการที่เรามาเกิดเพราะว่าไม่ไ้จะไม่ใช่ว่าการมาเกิดนี้จะให้ความสุขกับเราอย่างเดียวมันจะมีความทุกข์ตามมาด้วย ถ้าเราคิดว่าการมาเกิดนี้ไม่ดีเพราะจะต้องมาเจอความทุกข์ต่อไปนี่เราจะต้องเจอความแก่กันเจอความเจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วก็ต้องเจอความตายกัน <Yeah. S 1> เพียงแต่คิดครั้นั้นมันก็ทำให้เราทุกข์กันแล้ว <Yeah. S 1> แล้วเราก็ไม่มีทางเลี่ยงหนีมันไม่ได้ <Yeah. S 1> ถ้ามาเกิดแล้วมันจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ <Yeah. S 1> แต่การที่เราได้มาเกิดครั้งนี้ ได้มาเกิดเป็นมนุษย์คราวนี้เราโชคดีเราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้จักวิธีที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดกันถ้าพวกเราเบื่อกับการที่จะต้องมาทุกกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกกับการป้องกันภัยต่างๆทุกกับความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้เรามีทางเลือกใหม่แต่ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่มีทางเลือก เราจะไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมแล้วตายไปเราจะไปไหนอย่างไรนี้เราจะไม่รู้กันเราก็เราก็พยายามดินนน้นรนหนีความทุกข์กันกำจัดความทุกข์กันทุกวิถีทางแล้วก็ดิ้นรนหาความสุขกันได้บ้างไม่ได้บ้างชีวิตของเราก็เลยคลุกเคล้าไปกับความสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปอยู่อย่างนี้ไปจนมันตายตายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราไปไหน เราอาจจะคิดว่าสูนย์ก็ได้ลราคิดว่าเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็ได้แต่มันก็ไม่เป็นความคิดเท่านั้นเองมันไม่ใช่เป็นความจริงเพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาทางศาสนานี้เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันทุกคนเพราะตั้งแต่เกิดมาเราก็มีร่างกายแต่เรามีอีกส่วนหนึ่งคือความคิดนี่ความคิดกับความรู้นี่มันไม่ได้อยู่กับร่างกายอันส่วนนี้เรามองไม่เห็น เราก็เลยสรุปแลเราก็เลยเหมาว่ามันเป็นส่วนส่วนเดียวกับร่างกายแล้วก็ไปว่าความคิดมาจากสมองกันซึ่งตามความจริงแล้วความคิดไม่ได้มาจากสมองสมองคิดไม่เป็นสมองคิดไม่ได้ผู้ที่คิดนี้ไม่ได้อยู่ในสมองผู้คิดนี้คือจิตใจหรือดวงวิญญาณเรียกว่าธาตุรู้ผู้รู้อันนี้และคือผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกาย ตอนที่ร่างกายก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่เนี่ยพอมีการผสมพันธุ์กันแล้วเริ่มมีการการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ผู้รู้ผู้คิดนี้ที่ต้องการมีร่างกายก็จะมาจองร่างกายเนี่ยดยการส่งกระแสวิญญาณมาเกาะไว้มาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้มกายของร่างกาย <Yeah. S 1> เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการที่จะหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไปแต่ใจนี้หรือธาตุรู้นี้หรือวิญญาณนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตา <balanced> เมื่อมาก่อติดกับร่างกายพอเราเกิดมาเราก็คิดว่าเรากับร่างกายเป็นอันเดียวกันเราก็คิดว่าผู้รู้ผู้คิดอยู่ในร่างกายอันนี้แต่ความจริงไม่ได้อยู่ผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในโลกทิพย์ดวงวิญญาณนี้อยู่ในโลกทิพย์เพียงแต่ว่าตอนนี้ มีร่างกายที่สามารถมาเกาะได้มามาใช้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เ <Yeah. S 1> นี่ยนี่คืออวิชชาหรือความไม่รู้ของพวกเรา <Yeah. S 1> เราต้องมาเจอคนที่รู้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสัู้ <Yeah. S 1> ที่รู้ว่าดวงวิญญาณหรือดวงจิตใจนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกัน <Yeah. S 1> ร่างกายนี้ ในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่ดวงจิตดวงใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายนี่คือธรรมชาติของจิตใจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นมาแต่แ ต, ตลอดเวลาเราเปลี่ยนร่างกายมาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนกัน <c oughs> เราก็มารู้ก็ตอนที่เรามีร่างกายว่าเรามีร่างกายแล้วพอเราตายไปเราก็ไม่รู้ว่าเราไปไหนมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อเรามาเกิดใหม่ มันมีร่างกายอันใหม่แล้วเราก็มาทำของตามเดิมที่เราเคยชอบทำพวกเรามีความชอบไม่ชอบติดมากับใจของเราชาติก่อนถ้าเราเคยชอบอะไรชาตินี้เราก็ชอบอย่างนั้นต่อไปถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ชอบสิ่งนั้นต่อไปมันเพราะว่าใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายความชอบความชังอะไรต่างๆนี้มันก็ไม่ได้หายไปเพราะมันอยู่ในใจของพวกเรา จึงไม่ต้องมีใครมาสอนเราว่าให้เราชอบอย่างนั้นให้เราไม่ชอบอย่างนี้มันเป็นโดยอัตโนมัติเพราะเราเคยเคยเป็นอย่างนี้มา ก, ก่อนแม้กระทั่งการใช้มือซ้ายมือขวาก็เหมือนกันเราเคยถนัดมือขวาเราก็จะมาใช้มือขวาต่อเราถนัดมือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้ายต่อเราชอบเดื่มโซดาเราก็จะกลับมาเดื่มโซดาต่อเราชอบเล่นการพร น, านันเราก็จะมาเล่นการพรนันต่อ เราชอบเที่ยวเราก็จะมาเที่ยวต่อเราชอบไปวัดเราก็จะไปวัดเนี่ยเราชอบนั่งสมาธิเราก็จะไปนั่งสมาธิอันนี้นเป็นึ่งของที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของนี้มันฝังอยู่ในใจที่ไม่ได้ตายเพราะใจนี้มาได้ร่างกายใหม่มันก็เอาความชอบของเดิมมาใช้ต่อนั่นเองอ น, นี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกัน เพราะการจะรู้ได้นี้เราต้องปฏิบัติทำขั้นสูงสูงกว่าขั้นศีลท่านขั้นทานคือขั้นที่สามขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาถ้าเรามาศึกษามาปฏิบัติภาวนานี้เราจะสามารถแยกร่างกายออกจากแย ก, แยกใจออกจากร่างกายได้เราจะรู้ว่าผู้รู้ผู้คิดนี้กับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่รู้อะไรเลย เหมือนกับต้นไม้ดีๆนี่ร่างกายนี่ <c oughs> ก็ดูคนตายก็แล้วกันคนตายเวลาที่ไม่มีไม่มีจิตใจอยู่นี่มันไม่รู้อะไร <c oughs> นอนอยู่เฉยๆนั่นนะเอาเข็มไปทิ้งมันก็ไม่สะดุง้งมันไม่เจ็บ <c oughs> ผู้ที่เวลาที่สะดุ้งนี้คือใจใจเป็นผู้รู้เวลาที่มีเข็มมาทิ้มที่ร่างกายก็รู้ว่ามีความรู้สึกเจ็บปรากฏขึ้นมาที่ใจ ใจรับรู้ความเจ็บที่ส่งมาจากร่างกายมาสู่ใจใจนี่แหละเป็นผู้ทำให้ร่างกายสะดุง้งไม่ใช่ร่างกายมันสะดุ้งเองร่างกายนี้ต่อให้โยนเข้ากองไฟตอนที่มันตายมันก็ไม่ดิน้นมันก็ไม่สะดุง้งเพราะร่างกายมันไม่มีความรู้มันไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นมันเพียงแต่มีหน้าที่เอาภาพเสียงเอารูปเสียงกลิ่นรสส่งไปที่ใจ ตาก็รับรูปเนี่ยตาเราเนี่ยเห็นรูปแล้วมันก็ส่งไปที่ใจทิ้ใจเป็นผู้รู้รูปว่าอ๋อตอนนี้กําลังเห็นรูปหญิงรูปชายเห็นรูปคนนั้นเห็นรูปคนนี้ผู้ที่รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่รู้คือใจร่างกายเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปดีๆนี่กล้องถ่ายรูปมันก็ไม่รู้ว่ามันถ่ายรูปอะไรใช่ไหมคนถ่ายนี่แหละเป็นผู้รู้ว่ากําลังถ่ายรูปอะไรอยู่ ใจเนื่ยก็คือผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเหมือนเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องบันทึกเสียงต่างๆไปรับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาแล้วเป็นผู้ที่ได้สัมผัสความรู้สึกจากรูปเสียงกลิ่นรสใจตัวนี้ไม่ได้ตายแต่ใจตัวนี้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะมีมีความชอบมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เรียกว่ากามคุณห้า คือความความชอบในกามคุณหา้าความอยากได้ในการมคุณหา้าเราเรียกว่ากามะทันหาความอยากเสกกามเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสเน่ในใจของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่มีกามะทันหาทุกคนที่อยากดูกันทั้งนั้นอยากฟังถ้าเราให้ปิดตาดูก็จะรู้สึกเกิดอัดขึ้นมาทันทีให้ปิดหูก็จะรู้สึกว่าหงุดหงดพอไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นรูป เช่นเวลาถูกไปจับขังอยู่ในคุกในตารางในห้องนี้ไปไหนไม่ได้ดูอะไรก็ดูไม่ได้ฟังอะไรก็ฟังไม่ได้ใจจะเริ่มทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเพราะความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส น, นี่แหละที่ทำให้ใจทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันมีผู้ที่จะรู้ได้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรก พระพุทธเจ้านี้ทรงเบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายกับการเกิดแก่เจ็บตายก็เลยอยากจะหาวิธีว่ามีวิธีไหนที่จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหรือไม่ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยสะละราชสมบัติไปบวชไปศึกษาไปหันนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาจนในที่สุดก็เห็นความจริงของของจิตใจ ว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้มีความอยากหาความสุขต่างๆจากพบต่างๆจากการ ม, มาพบจากรูประพบและจากก ร, รูประพบถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ก็จะพาให้จิตใจกลับมาเกิดในตายพบนี้อยู่ถ้ามีความอยากในกามก็จะมาเกิดในกามมาพบคือพบของมนุษย์พบของเทวดา ภพของสัตว์เนราชาเนี่ยถ้าอยากจะถ้าอยากจะหาความสุขจากความสุขที่ได้จากนั่งสมาธิคือรูปฌานก็จะไปเกิดในรูปภพรูปภพก็คือภพของพรหมที่เป็นความสุขที่สูงกว่าภพของเทพความสุขที่ได้จากสมาธินี่เป็นความสุขที่มากกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากกามคุณคือรูปเสียงกกิดรสต่างๆแล้วสูงกว่า รูปภพก็คืออรูปภพอรูปภพก็คือภพที่ผู้ได้นั่งสมาธิจนเข้าถึงขั้นอรูปฌานอารูปฌานนี้เป็นเป็นฌานที่สงบมากกว่ารูปฌานมีความสุขมากกว่ารูปฌานเป็นความสุขที่สูงสุดในระดับของความสงบคืออรูปฌานก็จะไปอยู่ในอรูปภพแต่ภพทั้งสามนี้ก็เป็นภพที่ไม่ถาวร คือไปอยู่ได้เดียวเดียวสักพัก พ, พอสิ่งที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กันถ้าทำบุญก็ส่งไปเป็นเทพพอบุญหมดก็กลับมาเป็นมนุษย์ถ้านั่งสมาธิได้รูปประชานก็ส่งไปเกิดเป็นรูปประพมพอสมาธิหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไดอารู ป, ประชานก็ไปเกิดในระดับอารู ป, ประพรม พออรูปปชาญหมดกําลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เ<ม>พราะยังมีความอยากที่จะเสพการอยากจะเสบรูปปชาญอยากจะเสบรูปปชาญอยู่สุดแท้แต่กรณี<ม>ผู้ที่เสบรูปปชาญนี้จะไม่เสพกามนะม แ, ตแต่ผู้ที่เสพการนี้ยังเสบรูปปชาญไม่ได้เพราะยังไม่มีความสามารถพอ ดังนั้นก่อนที่เราจะขึ้นจากกาเมาพบขึ้นไปสู่รูปะพบด้านี้เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราต้องเลิกหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการมารักษาศีลแปดกันรักษาศีลแปดรักษาศีลสิบหรือเป็นนักบวชถ้าเป็นพระ ก, ก็รักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดเป้าหมายก็คือให้เราเลิก หาความสุขจากการมากุลทั้งห้าผู้ที่ถือศีลแปลก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครใแล้วก็ไม่รับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายรับประทานเพียงครึ่งวันก็พอแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกาย ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนมาก่นเกินไปจึงให้นอนบนติบนพื้นแข็งๆไม่ให้นอนบนฟูกหนาๆนเตียงใหญ่ๆเพราะว่ามันจะสุขจะสบายแล้วจะนอนมากเกินไปแล้วจะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขที่สูงกว่าคือการมานั่งสมาธิเพื่อให้ใจได้เข้าสู่รูปฌานและอรูปฌานต่อไปนี่คือขั้นต่อไปที่เราจะต้องปฏิบัต ถ้าเราอยากจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น mm hmm. ก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลิกแล้วมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบ mm hmm. วิธีที่จะเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็คือต้องถือศีลแปดกันพอเราถือศีลแปดแล้วเราก็ต้องห้ามตัวเองนะ ตันี้เรานอนกับแฟนไม่ได้แล้วนะตอนนี้เราถือศีลข้อสามอบ ร, รมจาริยาไม่ใช่การเมสุมิฉาจาราถ้าเราถือศีลห้าเรายังร่วมหลับนอนกับแฟนเราได้อยู่กับสามีภรรยาเราได้แต่ถ้าเราจะถือศีลแปดเราก็งดเพื่อเราจะได้เวลาที่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนนี้มานั่งสมาธิแทนนั่นเองไม่งั้นเราจะไม่มีเวลาเราจะเอาเวลาไป กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้ n กายกันถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขอยากจะได้ความสุขที่ดีกว่าที่สูงกว่าที่มากกว่าเราก็ต้องหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายด้วยการมาถือศีลแปะศีลแปดก็จะห้ามไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากเรามักจะ รับประทานอาหารตามความอยากมากกว่าตามความต้องการของร่างกายบางทีร่างกายไม่อยากไม่หิวแต่ยังอยากกินอยู่เพราะเรามีกามะทันหาอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารอันนี้จึงทําให้ร่างกายเราอ้วนกันอ้วนมากเกินไปก็เพราะตามใจไม่ได้ตามกายกายบอกพอแล้วแต่ใจบอกยังไม่พอถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะระงับห้ามหักห้ามจิตใจไม่ให้กินอาหารมากเกินไป ด้วยวิธีที่จะห้ามก็คือไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการไม่ฉันไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันนี้ก็มีสองแบบแบบสองมือหรือแบบมือเดียวแ้าเบื้องต้นถ้ายังอดไม่ได้ก็สองมือไปก่อนแต่ถ้าได้ปฏิบัติธรรมได้พบกับความสงบใจมีความสุขมีความอิ่มเราจะไม่หิวกับอาหารมากก็สามารถที่จะรับประทานอาหารเพียงมือเดียวได้รับประทานครั้งเดียว ก็ได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่เราต้องทำอย่างนี้เพื่อเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันหลังจากกินอาหารเสร็จหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการกินอีกแล้วแต่ถ้าเราถือศีลห้าเดี๋ยวก็อยากขึ้นมาอีกเดี๋ยวเห็นขนมก็อยากกินอีกเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลากินก็ยังอยากอีกก็กินได้ก็ศีลห้าไม่ห้ามจะกินกี่ครั้งกี่รอบกินอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ห้าม แต่พอมาถือศีลแปดแล้วห้ามแล้วไม่ให้มายุ่งกับเรื่องการกินละเอาเวลามาเดินเดินจงกรมนั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกับการละเว้นจากการดูมหอรสมบันเทิงต่างๆละเว้นจากการต้องมาเสริมสวยความงามเช่นถ้าเราถือศีลห้าเราอาจจะต้องไปงานเลี้ยงคืนนี้เราก็ต้องไปทาเผ่าทาผมทาหน้าทาตาไปหาซื้อเสือเส้อผ้าไป ซื้อรองเท้าซื้อชุดอะไรต่างๆก็เวลาก็จะหมดไปไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกันแต่พอมาถือศีลแปดแล้วก็ตัดใครส่งบัตรเชิญมาก็าบอกเสียใจวันนี้ถือศีลแปดไปไม่ได้ส่งของขวัญไปหรือส่งอะไรไปแทนแต่ตัวไม่ต้องไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกสมาธินั่งสมาธิกันนั่นเองนี่คือขั้นตอนของการเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงจากความสุขในระดับการะคุณไปสู่ระดับรูปฌปานกับอรูปฌปานและพอเรารักษาศิญปได้เราก็จะมีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิทาไมต้องเดินจงกลมเพราะว่าบางทีนั่งสมาธิแล้วมันหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินและอีกอย่างหนึ่งบางทีเวลานั่งสติมียังมีไม่มากพอมันเลยหลับง่ายเราก็ลุกขึ้นมาสร้างสติกันก่อน ด้วยการเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วก็เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าไปพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอันนี้เป็นการสร้างสติคือหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆด้วยการจเจริญพุทธโธพุทธโธพุทโธเดินจงกรมไปก็พุทธโธพุทธโธไปใจของเราก็จะมีอาการตื่นตัวขึ้นมามีความรู้สึกรู้รู้รู้สึกตัวไม่ไม่ไมหลไปตามกระแส ข, ของอารมณ์ของความคิดต่างๆ แล้วพอเรามีสติมากพอเราก็กลับมานั่งใหม่นั่งสมาธิใหม่นั่งก็พุทธโธต่อก็ได้หรือดูลมหายใจต่อก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั้งสองอย่างปนกันก็ได้บางคนก็นั่งดูลมแล้วก็ว่าพุทนมข้าวก็ว่าพุทนมออกก็ว่าโธก็ได้บางคนก็ดูลมเฉยๆไม่พุทธโธเลยก็ได้ดูที่ปลายจมูกบางคนก็พุทธโธอย่างเดียวไม่ดูลมก็ได้ ได้ทั้งสาแบบแล้วแต่เราจะถนัดเป้าหมายก็คือให้เราหยุดความคิดต่างๆให้ใจรู้เฉยๆแล้วพอไม่มีความคิดใจเราก็จะรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่รูปประชานได้ต่อไปพอเข้าสู่ฌานแล้วใจเราจะมีความอิ่มมีความสุขมีความสบายตอนนั้นความคิดตุงแต่งไม่มีไม่ต้องควบคุมไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามรู้เฉยๆตอนนั้นไม่ต้องทาอะไร คนที่ศึกษาใหม่ๆมักจะเข้าใจว่าพอจิตสงบแล้วให้พิจารณาทางปัญญาอันนี้ไม่ใช่เวลาพิจารณาปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาทำสมาธินี้ต้องการให้จิตสงบนานๆให้นิ่งนานๆถ้าไปพิจารณาจิตก็จะไม่นิ่งก็ไม่ต้องไปถ้าจะพิจารณาก็ไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งสมาธิก็ได้ เดินจงกรมนี้ก็พิจารณาได้เลยพิจารณาไตาักพิจารณาการสาสิบสองได้แต่ถ้าใจยังไม่มีสมาธินี้มันจะพิจารณาไม่ได้นานเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นแทนแล้วพอคิดแล้วฟุ้งคลานขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ฉั้นจึงไม่นิยมที่จะพิจารณาปัญญาก่อนที่ได้สมาธิต้องพยายามฝึกสมาธิให้รู้จักหยุดความคิดให้ได้ก่อน เพราะว่าเวลาเราพิจารณาทางปัญญานี้เราต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไปฟุ้งซ่านกับเรื่องอื่นได้ไปคิดถึงคนที่เราโกรธก็โกรธขึ้นมาใหม่ได้แล้วบางทีก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีสติพอที่จะหยุดมัน <S <S งั้นเราต้องฝึกสติให้หยุดจิตให้ได้หยุดความคิดให้ได้ให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ให้หยุดเวลาต้องการให้หยุดขึ้นเมื่อไหร่ต้องหยุดได้อันนั้นถึงยังปลอดภัย เหมือนกับเวลาเราหัดขับรถยนต์นี่ถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีหยุดรถยนต์นี้เราไม่กล้าขับออกไปถน น, เ, นเดี๋ยวขับไปแล้วถึงเวลาสี่แยกไฟแดงจะให้มันหยุดมันไม่รู้จะหยุดยังไง <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันก็ฝ่าไฟแดงไปชนกับรถคันอื่นได้ <Yeah. S 1> ะฉนั้นการขับรถนี่เราต้องรู้ก่อนว่าเวลาจะให้มันหยุดหยุดได้ยังไงฉันได้จิตของเราก็เหมือนกันตอนนี้เราไม่รู้จักหยุดจิตของวเราเชื่อไหมตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยจนถึงเวลานี้เคยหยุดคิดกันไหม คิดกันตลอดเวลาคิดบางทีคิดจนกระทั่งนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือความคิดนี้คิดแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายก็ความคิดอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้จักรู้จักอยุดความคิดนี้เราจะไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ถ้าร้องก็ร้องแป๊บเดียวพอรู้ว่าร้องไห้ปั๊บก็หยุดมันได้พุทโธพุทโธหยุดความคิดได้มันก็หายเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับก็หยุดคิดปั๊บเดี๋ยวมันก็หลับเดี๋ยวก็กินได้ เราต้องมาหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนก่อนที่เราจะไปทางปัญญาดัง<ม>นั้นเวลาจิตสงบเป็นสมาธินี้อย่าไปคิดอะไรพยายามใช้สติเฝ้าดูมันไม่ให้มันคิดไปนานๆ<ม>พอมันจะเริ่มคิดกนถ้าหยุดมันได้ก็หยุดมันต่อถ้ามันจะเริ่มคิดมันไม่ยอมหยุดด้วยสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่พุทโธใหม่พุทโธพุทโธต่อไป<ม>เพื่อที่เราจะได้ทาให้มันนิ่งต่อไปให้ได้นานๆ จนกว่าเราทนไม่ไหวสู้มันไม่ไหวจริงๆเราค่อยถอยออกจากสมาธิมาแล้วลุกขึ้นมาถ้าเรายังอยากปฏิบัติต่อเราก็เดินจงกรมต่อเดินจงกรมแล้วก็พุทโธต่อไปจเจริญสติต่อไปเดินจนรู้สึกเมื่อยแล้วก็ค่อยกลับมานั่งต่ออันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการจเจริญสมาธิให้แน่นให้ชํานาญให้สามารถทําได้ทุกเวลาที่ต้องการเนี้ยจะต้องทําอย่างนี้เข้าๆออกๆอยู่เรื่อยๆ พอออกมาก็เจริญสติต่อพอมีสติมีกำลังมากพอก็กลับไปนั่งใหม่ mm. ผู้ปฏิบัตินี้บางทีทํานี้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นมาไม่ทําอะไรทำสองอย่างนี้เดินโยงกลมกับนั่งสมาธิยกเว้นเวลาที่ต้องทําภารกิจอย่างอื่น mm. เช่นอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันหรือรับประทานอาหารก็ทําไปแต่เวลาทําก็มีสติกํากับไปด้วยล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆจะทำอย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีเรื่องต้องคิดแล้วผู้ปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ตัดหมดแล้วไปอยู่คนเดียวเพราะต้องการที่จะไปหาความสุขจากรูปปนะัจจันทรูปประชัน์กันนี่คือขั้นสมาธิแต่ขั้นสมาธิก็ทำให้เราไปเกิดในชั้นรูปปภมกับรูปปภมที่จะต้องเสือ่อมเวลาสมาธิเราหมดกาลังเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราจึงต้องปฏิบัติขั้นต่อไปขั้นที่เหนือจากสมาธิก็คือขั้นปัญญาพอเราสามารถควบคุมจิตได้อยู่ความคิดได้ตามที่เราต้องการแล้วทีนี้ก็ออกไปพิจารณาทางปัญญาได้พิจารณาเรื่องราวที่เราไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นร่างกายหรือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆนี่เราต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันจะต้องพัดพากจากกาัน เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราก็อาไปไม่ได้ถ้าเรายึดเยาติดเราจะทุกข์มากเวลาที่เราจะต้องจากกันไปถ้าเราไม่ต้องการจะทุกข์เราก็อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปถือว่าเป็นของเราอย่าไปถือว่าเป็นตัวเรานี่ยนี่คือหน้าที่ของปัญญา<ม>เริ่มต้ น, น, นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปต่้กัลละความยึดติดในร่างกายปล่อยวางร่างกาย ปล่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายไปเพราะห้ามมันไม่ได้แล้วมันมันก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายสอนใจแบบนี้เดี๋ยวก็ปล่อยได้ต่อไปก็จะไม่กลัวแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะมันรู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่เราเหมือนกับเราเห็นคนอื่นแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนไหมแต่เราไม่เห็นว่าร่างกายเราแก่เจ็บตายเราเดือดร้อนเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นเรามันเป็นเรา แต่เราถ้าเราดูจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรามันเป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาไม่ใช่เดี๋ร่างกายเนี้มันมาจากพ่อแม่เราเป็นเพียงแต่ผู้มารับมรดกท่านนั่นเองร่างกายนี้เป็นเหมือนมรดกที่พ่อแม่มอบให้กับเราเป็นเหมือนตุ๊กตาพ่อแม่ไปที่ตลาดแล้วก็เห็นตุ๊กตาสวยๆวยก็เลยซื้อมาให้เราตัวหนึ่งท่งนั่นเองแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าเราเป็นตุ๊กตาไปท่านั่นเอง เดียเรามาสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นตุ๊กตาเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเดี๋ยวเรากับร่างกายก็ต้องแยกออกจากกันนั้นมันจะเป็นอะไรก็ถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ต้องช่วยไม่ได้ถ้ายังช่วยมันได้อยู่ก็ช่วยมันไปถ้ามันหิวก็หาอาหารให้มันกินมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายามันรักษาแต่ถ้ารักษาไม่ได้มันจะตายก็ต้องปล่อยให้มันตายไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะมันไม่ใช่เรา เราไปทุกข์กับมันทำไมอันนี้คือปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองแล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือเราจะปล่อยวางได้ทุกอย่างที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราที่จะทำให้เราต้องมาทุกข์ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะถ้าเรารักอะไรชอบอะไรเราก็อยากจะกลับมาหามันอีก ถ้าเรายังถือว่าร่างกายเป็นเราของเราอยู่เวลามันตายเราก็ยังจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าความสุขจากรูปฌปานหรือรูปประชานเรายังไปยึดไปติดอยู่เราก็ยังจะกลับมาเกิดใหม่เนี่ยเราต้องละหมดต้องตัดหมดแล้วใจของเราจะได้ว่าความว่างของใจนี่แหละเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเพราะความว่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ามีอะไรแล้วมันจะมีเกิดมีดับเป็นธรรมดา แต่ความว่างนี่ไม่มีเกิดไม่มีดับใจชอบความว่างใจอยู่กับความว่างคืออยู่กับการไม่มีอะไร <S <S <S นี่คือผลสุดท้ายของการปฏิบัติเพื่อให้ใจเราได้เข้าสู่ความว่างเปล่าคืออยู่อยู่ตามอยู่ตามลำพังได้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขไม่ต้องมีการมาคุณห้ามาให้ความสุขไม่ต้องมีรูกประชานมาให้ความสุขไม่ต้องมีอรูปประชานมาให้ความสุขกับแล้วกลับจะมีความสุขยิ่งใหญ่กว่า เพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนั่นเองที่เราเรียกว่าเป็นความสุขของพานิพานนิบานังปรมังสุญยังนิบานังปรมังสุขขังความว่างของจิตนี้นําความสุขอันยิ่งใหญ่มาให้แก่ใจคือพระนิพานพานิพานนี้ไม่ใช่สถานที่เป็นสภาพจิตสถานภาพของจิตเป็นจิตที่หลุดออกจากความทุกข์หลุดออกจากความอยากทั้งปวง ไม่มีการมัทันหาไม่มีภาวะทันหาไม่มีภวะวิภาวะทันหาอยู่ในใจการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีแต่ความทุกข์ก็ไม่มีมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาและไปปฏิบัติกันศึกษาก็เรียกว่าคันถะทุระแล้วพอเรานํามาไปปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงให้มันเป็นจริงขึ้นมาในใจของเราใจของเราผู้นี้เน่ะ ที่กาลังฟังเทพอยู่เนี่ยจะเป็นผู้จะกลายเป็นนิพพานไปไม่ได้ไขไม่ได้ร่างกายของเราแต่ใจของเราเนี่ยจะกลายจากมนุษย์ไปเป็นเทพก่อนจากเทพจะกลายไปเป็นพรหมแล้วจากพรหมก็จะมากลายเป็นนิพพานต่อไปด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันเริ่มต้นที่ด้วยการทําบุญทําทานแล้วก็มารักษาศีลห้าศีลแปดกัน ตามลำดับเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปศีล8ปศีลส0บถ้าบวชได้ก็ศีลสีิบแล้วก็แล้วก็ไปเจริญสติสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่คนเดียวเป็นหลักไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเพื่อตัดความผูกพันต่างๆให้มันหมดไปใจจะได้เข้าสู่ความสงบความว่างต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราหรือเป็นธุระของชาวพุทธเรา ถ้าใครเขาถามว่านาชาพุทธมีหน้าที่อะไรก็บอกมีสองหน้าที่คือคันธทุระกับวิปั ส, ปสนาทุระทุระคันธะทุระก็คือศึกษาคําสอนต่างๆแล้วก็วิปัสนาทุระนาเอาคําสอนที่ได้ศึกษานี้ไปทําให้มันแจ้งไปปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วเราจะได้มีความสุขเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนั้นอีกต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุป ก, กปติอิชิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยัตถะมณิโชติระโสยัตถะสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีมิตสะนิจจมุธตาปจายโน จตารธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะจะไม่สะดวกถ้าอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ตอนนี้เลยวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook 4 4 1ท่านครับ y o ย t u b บ226ท่านครับวิทยอาออนไลน์11ท่านครับผู้ระฟังนากปฏิ129ท่านรวมทั้งหมด807ท่านครับพระอาจารย์คุณนี่อยากจะถามคามถามเหรอ กับนมัสการค่ะพาอาจารย์เรื่องของการนั่งนั่งจงกรมหรือเดินจงกรมนะคะช่วงที่โยมนั่งนั่งนั่งสมาธิเสร็จแล้วไยแล้วเราก็นอ น, นะคะ่โยมก็พยายามจะใช้วิธีการนอนจงกรมแต่พอนึกฟุตโทไปได้สักประมาณสองสารอบค่ะวก็หลับไปตืป่นมาอีกทีก็อาจจะเช้าหรือกลางดึกคะ่ะอันนี้สามารถที่จะมีวิธีอะไรที่จะสามารถทาให้ ได้นานอย่างนี้ไหคะก็อย่านอนจ้ะต้องลุกขึ้นมาเดินต้องใช้วิธีเดินพรถึงเดินไงเขาไม่นอนสมาธิกันว่าหลังหลังจากที่นั่งแล้วแล้วก็หรือเดินแล้วค่ะจะใช้วิธีนะคะในการมอนต้องลุกขึ้นมาเดินเพราะว่าสติมันหมดกําลังละถ้านอนมันก็จะหลับทันทีค่ะงั้นต้องปลุกสติขึ้นมาใหม่ในการเจริญเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดินจนรู้สึกเมื่อยแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ ก็จะมีสติที่จะนั่งต่อได้อี ก, อกช่วงก็ต้องทําอย่างนี้ต้องฝืนต้องอยากขี้เกียจอยาอยากสบายความ ง, ง่วงเหงาเหานอนนี่มันเป็นอุปสรรคไม่ว่านิวรณ์ต้องฝืนมันด้วยการเดินหรือขึ้นมาเดินแล้วต้องไปหาที่นั้นถ้ามันชอบง่วงก็ไปหาที่มันน่ากลัวนั่งหรือต้องลดอาหารกินให้มันน้อยให้มันหิวบ้าง ถ้ามันอิ่มแล้วหนังตาท้องมันจะหนังท้องมันจะตึงหนังตามันจะหยอ่อนส่วนการใช้ปัญญาพิจารณาเช่นการเห็นร่างกายหรือว่าการเห็นศพเนี่ยคะ่ะถ้าเราถ้าเรามองตัวเราเนี่ยเราเห็นก็จะเพาะผมขนฟันเล็บแต่ว่าถ้าให้มองภายในเนี่ยโยมยังมองไม่ออกโยมต้องสามารถพิจารณาจากอะไรที่จะให้มองภายในให้มันเป็นสุภาได้เจ้าคะ่ะก็ไปดูภาพที่เขาถ่าย ของภายในให้ดูเวลาเขาชนสูตรศพหรือว่าดูหนังสือของนักศึกษาแพทย์ที่เขาจะมีภาพวาดให้ดูก็ได้ภาพวาดว่าข้างตายยงไงร่างกายมีอะไรบ้างโครงกระดูกเป็นยังไงหัวใจปอดตับไตลำไส้อยู่ตรงไหนอันนี้ก็ใช้เป็นภาพแทนได้ไปดูให้แลางพยายามจดจำไว้ในใจแล้วพอเรานึกถึงชื่อมันผมอยู่ได้ไหนขนอยู่ที่ไหนแล้วเป็นยังไงฟันเป็นยังไง ดูเป็นยังไงการนึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาเรามองใครก็พยายามมองให้เห็นอาการเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาเราจะได้ไม่ไปหลงไหลกับความสวยความงามที่เขาบุงแต่งไว้ข้างนอกปรับแต่งไว้ข้างนอกพอมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันก็เหมือนกันทุกคนะ ข, ข, ขอบคุณค่ ะ, คคะมีคําถามจากผู้รับฟังนาะกุติเจ้าค่ะ ข้อที่หนึ่งหากมีความจำเป็นต้องฆ่ า, าสัตว์เช่นยุงปลวกหลายร้อยตัวมดหลายร้อยตัวจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรหลังจากฆ่ า, าสัตว์เหล่านี้ถึงจะบาปลดน้อยลงเจ้าค่ะไม่ลดหรอกทำแล้วไม่ลดได้งไงอย่าไปทำมันสิมันก็อย่าไปทามันก็ปล่อยมันอยู่ไปข้อสองค่ะการฆ่ า, าสัตว์ใหญ่เช่นวัวควาย หมูบบปบต่างกันไหมคะกับการฆ่าสัตว์เล็กเช่นยุงแมลงเจ้าค่ะมีหนักเบาต่างกันขึ้นอยู่กับคุณประโยชน์ของของผู้ที่เสียชีวิตแม้แต่มนุษย์นี่ก็มีความหนักเบาต่างกันค่าค่าคนทั่วไปกับค่าพ่อค่าแม่นี่ก็ต่างกันเพราะพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากแต่ค่าคนเหล่านี้เขาไม่มีบุญคุณกับเรายิ่งถ้าเขาเป็นนักโทษอย่างนี้ก็บาปน้อย เป็นพวกที่ทำอาชีพเป็นผู้ประหารชีวิตทับโทษนี่ก็าบาปแต่บาปน้อยเพราะว่าเขาฆ่าคนที่ไม่มีคุณมีมีแต่โทษแต่จะว่าไม่บาปก็ไม่ได้มันก็บาปแต่มันไม่มันไม่หนักเท่ากับไปฆ่าคนที่มีบุญคุณบาปที่หนักที่สุดก็มีอยู่5ข้อด้ยวยกันข้อหนึ่งฆ่าพ่อสองฆ่าแม่สามฆ่าพระอรหรันต์ 4ี่ทำให้พระเจ้าห้อเลือดน่าห้าทำให้สงเกิดความแตกแยกสามัคคีกันเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์ต่อโลกมากใายไปฆ่าก็เท่ากับทำลายคุณประโยชน์ของตนเองและของโลกคำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะ หมันไส้อิจฉาริษยาเพื่อนร่วมงานครับทำงานเด่นเกินหน้าเกินตาแย่งซีนผมครับทุกครับควรใช้หลักธรรมใดเพื่อรักษาใจตนเองครับก็พาอมีการพูดว่าแข่งลดแข่งเรือแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาบรารมีนี้แข่งกันไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ทำมาในอดีต เห็นถ้าเขาทําบุญทําสร้างบรารมีมามากในอดีตเขาก็ต้องร่ำเขาก็ต้องรําหน้าเราเขาก็ต้องก้าวหน้ากว่าเราเป็นธรรมดายอมรับความจริงกันนี้เถิดแล้วใช้หลักมุติตาชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของผู้อื่นดีกว่าแล้วเราจะได้เปความสุขตามกับเขาไปด้วยที่ว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่ว่าเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเราแล้วเราก็จะทําให้เรา มีทางรู้สึกที่ดีต่อเขาได้ถ้าเราอยากจะดีกว่าเขาเราก็ต้องไปสร้างบุญบรารมีกัน<ำ>อ น, นี้บุญบรารมี น, น้อยกว่าเขาจะสู้เขาไม่ได้คำถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะการกรวดน้ำไม่กรวดน้ำส่งผลบุญให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแตกต่างกันหรือไม่คะไม่ต่างกันเพราะน้ำมันไม่ได้เป็นตัวบุญตัวบุญอยู่ที่ใจ ที่เกิดจากการทำบุญของเราเราสามารถอุทิศบุญด้วยใจได้โดยตรงเลยเพราะว่าน้ำนี้เป็นเพลงตัวอย่างของบุญให้เราเห็ น, นั่้เองเพราะบุญมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็นได้ด้ว ย, วยตาเปล่ามันเป็นความรู้สึกเวลาเราทำบุญเรามีความรู้สึกอิ่มเอิใจสุดใจเราสามารถอุทิศนี้ได้ด้วยความคิดในใจแล้วว่าขอแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่รวงรับไปแล้ว แต่คนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็เลยต้องใช้น้ําให้เป็นตัวแทนบุญของเขาเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปสู่ภาชนะหนึ่ง<ม>คือถ่ายบุญจากใจจากใจหนึ่งไปสู่ใจใจหนึ่งนั่นํางคถามจากหนา้ากุฏิเจ้าค่ะมีความเชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดเราปุถุชนคนธรรมดายังมีรักโลภโกรธหลง จะปฏิบัติหรืองดเว้นอะไรเมื่อตายไปถึงจะรอดพ้นจากการเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือนรกเจ้าคะก็อยา่าทํสาบาปรักษาศีลห้าไว้ไม่ยากเย็นหรอกตอนนี้นั่งตอนนี้ก็มีศีลห้าแล้วเนี่ยตอนนี้นั่งเฉยๆนี่ก็มีศีลห้าแล้วเพียงแต่ให้มันมีศีลห้าไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเท่านั้นเอง ในบางคนบอกคนรักษาสิหนห้าได้ก็ตอนนอนหลับทั้งนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วก็พอเริ่มทาอะไรก็เริ่มคิดจะทำบาปแล้วคำถามจากน้ากุติเจ้าค่ะทาบุญรักษาสินห้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเคยได้รู้มาว่าเทวดาจะมีบริวารมากมายรวมทั้งนางอับศรแล้วเทวดาจะถือสินห้าได้ไหมถือว่าเป็นการเสวยบุญเดิมที่สร้างไว้เจ้าค่ะ ก็เป็นการเสวยการไปเป็นเทวดานี่ไม่ได้ไปทําอะไรเหมกัไปไปรับไปรับผลบุญนีเหมือนกับคนที่ไปเที่ยวนี่ไม่ต้องไปทํางานเนี่ยเวลาเรามีเงินพอแล้วก็ลาหยุดงานสักเจ็ดวันแล้วก็ไปเที่ยวตอนนั้นเราก็ไม่ต้องทําบุญมีแต่เที่ยวอย่างเดียวแจะใชจ้จ่ายเต็มที่เลยแต่พอเงนินหมดก็ต้องกลับมาทำทำใหม่เวลาไปสวรรค์นี่ไม่ต้องไปรักษาอะไรทั้งนั้นไปไปเสวยบุญ พอหมดบุญค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำบุญใหม่ต่อคำถานจะทาง a c e b o o k ค่ะจากคุณปาริชาติพระอาจารย์เจ้าคะหากร่างกายถูกเข็มทิม่มควรทำจิตอย่างไรไม่ให้รู้สึกเจ็บเจ้าคะอ๋อมันเจ็บมันมันต้องรู้สึกแ น, น่ๆเพียงแต่ว่าอย่าไปเจ็บกับมันไงบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเจ็บก็ให้มันเจ็บไปแต่เราเป็นใจเราไม่เจ็บ วิธีที่จะทำให้ใจทาให้เจ็บก็ต้องท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไว้คำถามจากคุณเมทาวีคะ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าการหลงที่เกิดที่คนแก่มัดเป็นมีสาเหตุจากสมองหรือจิตเจ้าหาจากจิตที่ไม่มีสติพนอะไม่มีสติก็จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้ทำอะไรไปเมื่อกี้พูดอะไรจำไม่ได้แล้วพอถ้ามีสติมันจะจาได้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราพูด คนที่มีสติดีๆยังไม่หลงเนยูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายอายุถึงร้อยปีท่านก็ไม่หลงเพราะท่านมีสติมีความรู้สึกตัวทุกเวลาว่ากำลังทำอะไรกำลังอยู่ที่ไหนทำอะไรไปแล้วคำถามจากทาง y o u t u ู e ค่ะผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกลับเดินถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วเมื่ออยู่กับความว่าง หากเวลามีความคิดและเริ่มไม่สามารถหยุดความคิดได้สามารถใช้บริกา ร, รพุทธโธเพื่อให้นั่งต่อไปได้ใช่หรือไม่เจ้าคะถูกต้องว่าบริการพุทธโธใหม่สวดมนต์ก็ได้ท่องอาการสารสิบสองก็ได้อย่างได้อย่างหนึ่งคำถามต่อไปคะ่ะคนที่ค่าตัวตายยอมแพ้ชีวิตง่ายๆจิตเขาเป็นอย่างไรเจ้าคะจิตเขาก็ทุกเลยร้อเนเี่เหมือนเหมือนถูกไฟนรก เผาใจคำถามจากคุณดวงเดือนคะ่ะการซื้อลอตเตอรี่งวดละหนึ่งถึงสองใบถือว่าเป็นการเล่นการพ น, นันหรือถ้าไม่รักษาสินแปดแล้วซื้อซื้อลอตเตอรี่สินจะขาดหรือไม่เจ้าคะไม่ขาดหรอกเพราะว่าสินศินกับการเล่นลอตเตอรี่อตเตอรี่นี่นคนละส่วนกันเล่นลอตเตอรี่เรียกว่าอบา ย, ยามุขก็อยู่ที่ว่าเล่นมากเล่นน้อย เล่นน้อยก็ทุกน้อยโทษน้อยถ้าเล่นมากก็โทษมากทุกมากเพราะมันจะเสียมากคำถามาต่อไปเจ้าค่ะ <c oughs> ช่วงนี้จิตขี้เกียจมากโดยเฉพาะการนั่งไม่ยอมนั่งแต่อยากจะเดินกับนอนดูการเคลื่อนไหวของการ ของกายตอนกระทบและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นหลักส่วนฟังธรรมและพิจารณายังทาเป็นปกติทุกวันแบบนี้ใช้ได้หรือไม่เจ้าค่ะถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ให้มันเดินให้มันเดินจงกรมเดินทีหลายๆชั่วโมงเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเดินให้มันเมื่อ ย, ลยแล้วเดินมันก็อยากจะนั่งเองออคถามจากคุณดวงเดือนค่ะเวลาใส่บาตรหน้าบ้าน โยมออกชื่ออาหารให้พระท่านทราบอย่างนี้จะผิดต่อท่านหรือไม่คะไม่ผิดหรอกแต่ไม่ไม่นิยมทำกันบางคนเขียนป้ายเป็นเมนูติดไว้ว่าเป็นข้อบางทีพระไม่รู้ว่าเป็นอะไรนั่นเองก็บอกได้แต่ก็เท่าที่แล้าที่เห็นกขาปฏิบัติมาเขาก็ไม่ได้บอกกันไม่ได้พูดกันให้พระท่านดูของท่านเองให้ท่านไปพิจารณาของท่านเองแล้วกัน เราเขียนชื่อถ้าดีแต่ถ้าท่านพิจรารณาท่านพิจรารณากลายเป็นขี้ไปหมดก็ได้ <laughs> คำถามจากคุณยีนค่ะหากสินห้าเรายังถือไม่ครบเราจะปฏิบัติสมาธิได้ไหมครับก็ถ้ากินเหล้าเมาแล้วไปนั่งสมาธิได้เปล่าขนาดไม่เมายังนั่งไม่คขอาได้แล้วเมามีไปนั่งได้ คำถามจากคุณมารีค่ะหลวงพ่อคะถ้าเรารู้ว่าทุกข์รออยู่ตรงหน้าแล้วเราจะวางใจในปัจจุบันอย่างไรดีเจ้าคะอะไรรออยู่ข้างหน้าทุกข์อยู่ข้างหน้าเจ้าค่ะทุกข์เหรอเจ้าค่อทุกข์เหรอเจ้าคะหลวงพ่อทุกข์ถ้ารู้ก็ถามด้วยว่ามันเกิดจากอะไรพระเจ้าบอกเกิดจากความอยากของเราก็ถามว่าตอนนี้เราอยากอะไรนะอยากถูกหวยเหรอพอไม่ถูกก็ทุกข์ใช่ไหมก็อยากอยากไปอยากถูกก็ยอย่าไปเล่นหวยมันก็จะไม่ทุกข์กับ เรื่องหวยนะคำถามจากคุณตาหวานค่ะตอนนี้หนูกำลังถูกนินทาและอิจฉาหนูแค่เมินเฉยไม่โต้ตอบกับหมูคนเหล่านั้นแค่ทำเฉยเฉยไปอันนี้ถูกหรือไม่เจ้าคะถูกต้องนะเฉยเฉยแต่อย่าไปโกรธเขาข้างในนะ <laughs> เฉยแล้วต้องเฉยจริงจรนะิง <laughs> คำถามจาก ทางเฟ e b o ๊ k ค่ะกาบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราไล่นกที่ชอบมาขี้ตรงหน้าต่างจะบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเป็นการป้องกันความสปกปรกมามาขี้ตรงนี้ยังคอยไล่มันใครยังมาขยันเก็บขี้มา <c oughs> คำถามต่อไปเจ้าค่ะในแต่ละวันโยม พ, พยายามจะระลึกถึงความตายบ่อยที่สุดที่ผ่านมาก็ระลึกถึงความตายเหมือนเป็นหน้าที่การปฏิบัติตามคําสอนของท่านพระอาจารย์แต่มาช่วงครึ่งปีนี้อยู่ๆจิตก็มีความรู้สึกกลัวความตายขึ้นมาแล้วก็เตือนตัวเองให้รีบปฏิบัติโดยสอนตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้จริงๆท่าน ท่านพระอาจารย์มีอุบายอะไรแนะนําให้โยมเพื่อให้เกิดสลดสังเวชตลอดได้หรือไม่เจ้าคะก็เนี่แหละคิดความตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาแต่ก็ต้องระวังอย่าไปคิดจกกนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตายก็แล้วกันพออยากจะฆ่าตัวตายก็ต้องอยู่คิดแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองสเพสัตตาเวลาหนตุอาหารสุดคืตมี้หนตุ เราก็ต้องแผ่เมตตาให้เรารักษาร่างกายเราให้มันอยู่ต่อไปเพราะมันมีคุณประโยชน์กับเราเราต้องมีร่างกายเราถึงจะสามารถฟังทำได้ปฏิบัติทําได้แต่ถ้าเราพิจารณาจนกระทั่งมันอยากจะฆ่าตัวตายก็หยุดเราพิจารณาเพราะว่ามันประมาทมันคขาก็คึกคกนองอย่างนี้ยกําลังหลงละเิงกับอะไรเนี่ยพอให้นึกถึงความตายมั่งมันจะได้ชะ ง, งักมันจะได้หยุดได้ พอโลกอยากจะเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่เอาดีกว่าค่ะคำถามจะกผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะถามพระอาจารย์ค่ะแฟนมีชู้ผมทุกข์ใจมากไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรสงสารลูกมากครับแต่เขาก็สำนึกผิดอยากให้ผมให้อภัยแล้วก็จะไม่ทำต่อไปอีกอยากจะให้อภัยแต่ทุกข์ใจมากครับไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปครับแล้วละเขาหรือเล่าละ่ะ ถ้าเรารเขาถ้าสิ่งที่เขาทาเป็นความสุขเราก็คุณจะยินดีกับเขาไปเพราะถ้าเราต้องการให้เขามีความสุขไม่ใช่เนี่ยอย่างนี้เราก็จะให้อภัยเขาได้คําถามจากคุณมาลีค่ะถ้าเราหันหลังถ้าเราหันไปปฏิบัติธรรมแต่ยังยังมีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ด้านหลังแล้วจะทําอย่างไรดีคะเพราะว่ายังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เจ้าค่ะก็ไปไปมามาสร็จถ้ายังตัดไม่ขาดก็แบ่ง แบ่งเวลาอยู่กับเขาบ้างปีกเวลาไปอยู่คนเดียวบ้างจนกว่าจิตเราจะแข็งปัญญาเราจะกล้าเราก็อาจจ ะ, ะตัดได้คำถามจากคุณยีนค่ะหากใจเรามีสมาธิแล้วสมาธิจะติดตามเราไปทุกพบทุกชาติหรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าสมาธิมันเสื่อมแบบเสื่อมหรือไม่เสื่อมถ้ามันเสื่อมถ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อมันก็เสื่อมก็ต้องกลับมาปฏิบัติใหม่ แต่ถ้าสมาธิที่มันมีมากแล้วมันฝังอยู่ในใจนด้นานก็ยังจะอยู่ต่อไปได้แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติถึงขั้นไหนกันของสมาธิอย่างพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กนี่เวลาท่านนั่งอยู่ตามลาพังใต้ต้นไม้คนเดียวจิต ท, ที่เคยเข้าสู่ความสงบมันก็สงบขึ้นมาเองอย่างนี้ก็มีแต่สำหรับพวกที่ยังเข้าสมาธิได้นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวพอตายไปมันก็อาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้ อันนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าได้บ่อยหรือไม่เข้าได้มากหรือไม่คําถามจากคุณกุสาวดีค่ะใจห่วงความรู้สึกคนอื่นจนตัวเองเป็นทุกข์จะต้องทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องบองว่ากรรมศาตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่มีใครไปห้ามกรรมได้คําถามจากคุณเชรีนค่ะ พ่อแม่ให้ทำอาชีพผิดศีลแต่เราไม่เลือกทำแล้วพ่อแม่โกรธบาปหรือไม่เจ้าคะไม่บาปหรอกเราไม่ทำบาปพ่อแม่โกรธก็เป็นเรื่องของกิเลสเขอคำถามจากทาง You Tube คะ่ะวิญญาณมีทุกที่แล้วทำไมวิญญาณถึงไม่ไปไหนหรือเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเจ้าคะคือวิญญาณ น, นี้เขาอยู่ในโลกทิพย์เขาก็อยู่ตามเรื่องของเขา เหมือนตอนที่เรานอนหลับใจเราก็อยู่ในโลกที่ใจเราก็อยู่ในโลกของความฝันของเราไปแต่เราดวงเขาก็มีโลกของความฝันของเขาที่เกิดจากบุญหรือบาปที่เขาได้ทำไว้กันไปฉะนั้นการจะมีวิญญาณมันไม่ไมาเข้าทุกที่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ได้ตรงนั้นอาจจะไม่มีก็ได้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีมันอาจจะต้องมีมีมีเหตุการณ์หรือมีอะไรบางอย่างที่ทาให้มีก็ได้ มันไม่ได้คําว่ามีอยู่ทุกที่นี่เป็นคําพูดแบบทั่วๆั่วไปแต่ไม่ใช่เป็นความจริงคําถามจากคุณก้องค่ะทั้งหมดสามข้อเจ้าค่ะข้อแรกถ้าเราทําความสะอาดบ้านแต่อาจต้องเบียดเบียนสัตว์เช่นการกวาดการอุดรูปูนต่างๆของบ้านการเผาขยะแล้วเรากังวลว่ามีสัตว์อยู่จะเป็นบาปไหมครับและผมจะทําอย่างไรดีครับ ก็อย่าเผามันเสีเอาไปทิ้งได้เอาไปทิ้งใส่ทังขยะไปอกวาดอย่าให้มันตายถ้ากวาดมันก็เพียงแต่ไล่มันไปแค่นี้ไม่ถึงกับตายถ้าตายก็ต้องกวาดเบาๆอย่าไปกวานหนักๆข้อที่สองเจ้าค่ะพ่อให้ซื้อลอตเตอรี่ให้เพราะบอกว่าผมดวงดีแต่ผมไม่อยากซื้อจะทําอย่างไรดีครับ ไมไ่ซื้อาคุณไม่อยากจะซื้อใครจะบังคับคุณซื้อได้ข้อสมเจ้าค่ะการแชร์ธรรมะในอินเทอร์เน็ตให้ครอบครัวหรือเพื่อนจะถือว่าผมไปยุ่งเรื่องของเขาหรือไม่ครับไม่หรอกการแชร์ก็เหมือนกับการส่งธรรมะเข้าไปเขาจะอ่านไม่อ่านก็เราไม่ได้บังคับเขาแต่ถ้าเราบังคับให้เให้เราเราขาฟังเราเนียไปถึงบ้านเขาพูดพี่ทําอย่างนี้นะแผ่เมตตานะอะไรอย่างนี้ อย่าาางนี้ก้กกไไปววชิวตขเขเมค ำ, คำถามจากคุณนาวินทาง YouTube ค่ะเรียนพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วรู้สึกหน่วงๆนวงตรงหน้าผากตอนนี้ฟังธรรมก็รู้สึกตรงหน้าผากครับเป็นปกติหรือไม่และแก้ไขยอย่างใดได้ครับก็สังเกตดูว่ามันเป็นทุกครั้งหรือเปล่าหรือเวลาไม่นั่งไม่ฟังนี้เป็นหรือเปล่าถ้าเป็นตลอดเวลาก็ต้องไปหาหมอคนะเป็นเรื่องของร่างกาย ถ้าเป็นเฉพาะเวลาเรานั่งแล้วฟังธรรมก็เป็นเรื่องของกีเลสเนี่ยตอนนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะคมีใครอยากจะถามอีกไหมเดี๋ยวเราห้ามเข้ามาถามนะห้ะเวลาตอนนี้เพราะว่าไม่มีเวลาที่จะพูดหลังจากที่เลิกกันแล้วถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา